เหมือนกระทาความชั่วทําความชั่วขึ้นมาเวลาไหนเป็นความชั่วยทุกเวลาอีกเหมือนกันเหมือนกับเราจับไฟเราจะจับเวลาไหนกลางค่ำกลา ง, งคืนมันก็ร้อนเวลานั้นถ้าจับน้าแข็งมันก็เย็นทุกเวลาอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วเวลาไหนก็ชั่วเวลานั้น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 กายกรรมไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุรามโนกรรมวจีกรรมคืออะไรวจีกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียบไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมนั่นคืออะไรไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปองไายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรม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 ที่เข้ามาบวชเป็นลูกของพระสิ้ีเป็นเรื่องของพระสงฆ์จะต้องรักษาอันนี้คือศินสออีเนี่ยอันนี้คือกดละเปียกการอยู่ด้วยกันของหมู่สงฆ์ถ้าสงฆ์ไม่มีสินอยู่ด้วยกันคารวะญาติโยมไม่มีสินอยู่ด้วยกันจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะเป็นที่ลังเกียดเดียดสันกันก่าอะไรอย่างพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน ในต่างคนต่างไม่มีสินและเป็นยังไงจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรนี่แหละสินนี่เป็นเครื่องอบอุ่นทางด้านจิตใจเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันคือสินแต่เรื่องทำรรสมาธิทำนั่คือสมาธิใจที่จะมีทำได้เพราะอะไรต้องมีสมาธิที่จะบังคับจิตใจให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในสินและทำได้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 ที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ น, นี่เราพิธีการเดินมักเดินผลมันเป็นมาตสินเนี่สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินศินห้าหือศินคารวาสศินสมานเณรสินสองร้ ย, ยี่สิบเจ็ดหรือสินพระเมื่อเรามีศินแล้วเราจะนั่งภาวนาบริกรรมอันไหนใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้เพราะ เราไม่วิตกกังวลเพราะเราเป็นผู้มีสินแล้วแต่เราไม่เป็นผู้ไม่มีสินล่ะจะนั่งภาวนาได้ได้ไหมได้แต่บางครั้งถ้าเป็นผู้มีสินแล้วจะดีกว่าเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้าเราไปฆ่าเข้ามาหยกๆเออแล้วจะมานั่งภาวนาลแล้วเป็นยังไงจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ไหมไม่ได้ไปขโมยเขามาเออไปผิดลูกสามีภรรยาของเขามาแล้วเป็นยังไง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 าตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะช่วงระยะหนึ่งค่อยเลือกแยกย้ายกัน